โยมท่านมันมีคามทุกอย่างที่เราทุกคนต้องประสบไม่ช้าก็เร็วนั่นก็คือความตายที่เราเวลาได้สวดมนต์ในธรรมวจิย น, นี่ก็จะมีข้อความกอนนี้ว่าตอนเช้าหราอคำว่รราเช้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้ว ความทุขเป็นเบื้องหน้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นความแจ่ความเจ็บความป่วยความพลาสูญเสียในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีความสุขมีความสำเร็จแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จบสิน้นเพราะความตายมาพราทุกอย่างไปจากเรา คือคุยอยางนนคือว่าความตายภาคเราไปจากโลกนี้เมืราพูดถึงความตายเนี่ยผู้คนก็รู้สึกใจประหวังหวาดกลัวเพราะว่าในส่วนลึกของคนเราเนี่ยย่อมปรารถนาความเป็นนามธรปรารถนาความสื่อเนื่องของชีวิตอันนี้เป็น เป็นความปัญาของจิตไร้สันึกของเราเลยทีเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยในเมื่ออะไรต้องตายเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจ ะ, ะเผชิญกับมันอย่างไ ร, รเผชิญโดยใจไม่ทุกคํคำตอบก็คือการหมั่นเจริญนอนนักสติหรือว่ามรณาที่สติ นี่เป็นวิธีการหนึ่งไม่ใช่วิธีการเดียวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายได้ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทุกข์ไม่กลัวไม่วิตกแต่ยังสามารถที่ทำให้เราเนี่ยข้ามก้าวข้ามความตายไปได้ด้วยดี หรือผอู้ยานึกถือว่าทำให้เราเนี่ยตายดีที่จริงมรณาสติเนี่ยนะหรือมรณาสติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้เราตายดีเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยหรือช่วยใหเราอยู่ดีทด้วนหลายคน ก, ก็จะสงสัยว่ามันช่วยทําให้เราอยู่ดีได้ยังไงแต่นี่ก็เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อไปแต่กนหนึ่งก็ต้องถามกันว่าต้องทำาเข้าใจก่อนว่ามรณา นุสติหรือมอนุสติเนี่ยมันคืออะไรมอนุสติหรือมอนามติเป็นกรรมฐานแบบนึ้นะหรือว่าเป็นวิธีภาวนาแบบนึ้งกรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะ น, นะหลวงสกัดอาจารย์ท่านก็จำแนกเอาไว้ว่ามีสี่สิวิธีนะสี่สิวิธี เฉพาะเรื่องอนุสติเนี่ยอย่างเดียวก็สิบเข้าไปนะอนุสติแปว่าเราลึกนึกถึงเราลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดมาสักครู่นี่ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติทำมรุสติสังคำมุสติแต่การเจริญพุทธานุสติทำมนุสติทงังคำมุสติก็ทำหลายอย่างไม่ใช่แค่สวดมนต์อย่งเดียวการที่เรามีพระพุทธ ร, รูปแล้วก็ เป็ น, น, นเรื่องระลึกนึกถึงนะในพุทธคุณนะอันนี้ก็เป็นพุทธธรรสติได้นอกจากพระพุทธธประสงค์แล้วเนี่ยการระลึกถึงสีหรือความดีที่เราได้ทําสีดำสติการระลึกถึงเทวดาซึ่งเป็นที่ตั้งศรัทธาก็เป็นพุสติดังนี้งและมรณนนะสติหรือว่าเลชันซารมรณะสติเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่แล้ววิธีก็มีจุดหมายต่างกันพุทธาธรรมาสังคาย น, นสัสสติเนี่ยจุดหมายคือทำให้เราเกิดศรัทธาในพระนักตรัยเพื่อจะได้มีจิตใจมั่นคงในการทำความดีทำให้เกิดปิติประโมทส่วนมรณะนุสสติหรือมรณะสติเนี่ยวัตุประสงค์คือเพื่อให้เราตั้งอ่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ย มันมีส่วนสำคัญมากในการช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีนานเพราะถ้าเราประมาทเมื่อไหร่นะเราก็สามารถจะปล่อยชีวิตไปในทางตกต่ำได้หรือเพลิดเพลินในความสุขโดยอ ก, ก็การมาสุดนะซึ่งมีสเสน่ห์ในการาดึงดูด ร, รวมทั้งคล่องกันโดยอง ม, มีกำลังในการคล่องกันจริงด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจให้ตกใยู่ภายใต้การข้องงของการมสุขหรือว่าความสุขแบบโลกโลกมันก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยยันแย่อาจจะทำให้เราเนี่ยกล้าทำชั่วกล้ากิดศีลอย่างคนที่โกงคองร์รัปชันหรือว่าไปลักขโมยหรือว่าฆ่าผู้คนอย่างนั้นะ ก็เกิดจากการที่ไปหลงไหลใ น, ในทรัพย์สินเงินทองในความสําเร็จในชื่อเสียงกิจยศในอนํานาจพอลงแรงบ้าางก็ทําให้อยากจะพร้อมที่จะกําจัดคนที่ขัดความหรือพร้อมที่จะไปแย่งชิงของเข้ามาอันนี้ก็ทําให้อพลังไปในทางต่างชีวิตก็สามารถจะเข้าสู่อาบายภูมิได้ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามรณสะสติเนี่ยอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากก็คือทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความตายมรณมรณสะสติเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับความตายได้อย่างไรก็ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่ามรณสะสติเนี่ยนะเขาทำอย่างไรมรณสะสติเนี่ย มีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือการระลึกถึงความจริงหรือการประหนักถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนความจริงนั้นก็คือว่าเราทุกคนต้องตายแต่ในความแน่นอนนั้นก็มีความไม่แน่นอนสูงมากก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไร่อาจจะตายสามสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าหรือปีหน้าที่หน้า หรืออจะตายคืนนี้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนี่คือนี่คือส่วนที่หนึ่งนะของการเจริ่องร้อนนั่สติคือเรา้ถึงความแน่นอนว่าเราต้องตายแล้วก็ไม่ น, นไม่แน่นอนว่าจะตายที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ส่วนที่สองนะก็คือการพิจรนารณาต่อไปว่าหรือถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราจะตายพรุ่งนี้คืนนี้เราพร้อมหรื อ, อยัง เราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังทีงเกิดเร็ต้องตายคืนนี้พรุ่ง น, นี้หรือเร็วๆ น, นี้หมายความว่าเราทําดีมาพอหรื อ, อยังนะเราทําหน้าที่เสร็จที่หรื อ, อยังหน้าที่นี้อาจจะหมายถึงหน้าที่ในชนะลูกใ น, นชนะพ่อแม่ในฐานะบุพ ก, การีในชนะคนของาศาสนาอาจจะรวมถึงในชนะคน ของหน่ยนขององค์กรด้วยก็ได้หน้าที่เหล่านี้เราทำเสร็จสิ้นหรอยบร้อยี่ข้อ ท, อที่สองข้อที่สามคือว่าเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็เวลาตายเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราต้องคลากจากทุกอย่างที่เคยมีและเคยเป็นหรือที่กำลังมีและกำลังเป็นหรือทุกอย่า ง, งมีแค่สองสิ่งที่จะตามติด ไปในภพนาคคือบุญและบาปนะแค่นั้นเองนะบุญและบาป น, นั่นแหละที่เหลือเนี้ยเอาไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักลูกพ่อแมนะ่บริษัทบริวาร น, นี่คื อ, อวิธีการเจริญร้อนนักสติหรือว่าเป็นแนวทาง คือจะทำยังไงก็ได้เนี่ยแต่ว่าให้มีสองส่วนนี้คือหนึ่งความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นความแน่นอนและความไม่ได้นอนสองการถามตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังนะอาจจะต้องตายในวันที่วันรุง่งนีถ้ถ้าว่าทำไม่ครบเนี่ยนะอาจจะทำแค่ข้อเดียว ก็คือว่าโผลจะต้องตายแน่นอนโดยวว่าคนที่ป่วยป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยความตายนี่มันมาปร้อมดชัดมากเลยนะว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนหรือบางคนอาจจะยังหนุ่มยังสาอยู่แล้วก็ไม่ถึงความตายของตัวเองไม่ต้องเกิดขึ้นจิตใจก็จะขุดคูห่อเดี่ยวได้อันนี้เพราะว่าทําไม่เป็นหรือทาไม่ถูกหรือว่าทําให้ครบถ้วน ถ้าว่าทําส่วนที่สองด้วยเนี่ยคือถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราทําความดีมามากพอหรือยังเราทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังเราพร้อมจะป่อวางเสียต่งางๆหรือยังเนี่ยถ้ามีส่วนที่สองนี้ด้วยเนี่ยไม่ทําให้เกิดความฝืนฝ่ายทําให้เกิดความกระตือรือร้ น, นทําให้เกิดสิ่งที่ทุก่าณเรีวยกว่าสังเวชหรือสังเวชะสังเวชะเนี่ยภาษาบาลีหมายถึงความสุข ตื่นรู้สึกกระตุ้นเราให้เร่งผลฝ่ายไม่ใช่แปลว่าสมเทศเวทนาหรือว่าหดหูอย่างที่เราใช้ว่าสลดสังเวชนี่ยอันนี้มันไม่มันเป็นสังเวชแบบไทยไม่ใช่สังเวชแบบแบบธรรมะหรแบด บ, บนี้สังเวชหรือว่าสังเวชชะที่อยู่ในสังเวชชนสถานเนี่ยสี่ตาบลอย่างความหมายเกินนี้ที่เราไปสังเวชชนีสถานเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความ ไม่ประมาผู้กระตุ้นทห้เราเกิดความปนไวยในการทําความเพียรเพื่อการบ้นทาุกข์เราไปสังเวยเฉลสถานไม่ใช่เพื่อให้เกิดสลดสังเวชแต่เพื่อเกิดความตื่นตัวในการทําความเพียรในการปฏิบัติธรรมไปสังเวยเฉลสถานแล้วเนี้ยไม่เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเลยนะถือว่าไปไม่ถึงนะแล้วถ้าไปแล้วรู้สึกสลดสังเวชนนี่ก็กินกั ง, งอันนี้คือจุดหมายของสังเวชเฉลสถานซึ่ง อางเวชปวนี้เนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะเราจะไม่เคยไปเลยก็โดยการที่เราเจริญ ร, ร้อนนักสติอย่างถูกต้องอันนี้อาจามาได้พูดไว้ตอนต้นว่าร้อนนักสติเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยตายดีแล้วก็อยู่ดีหมายความว่ายัางไงเอาตายดีก่อนนะคือเมื่อเราเจริญร้อนนักสติบ่อยๆเนี่ยในทําให้เราเนี่ย ตื่กลัวต่อความตายน้อยลงเพราะเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ความตายใครความตายของเราใหม่ๆมันก็จะต่อต้านจิตใจจะต่อต้านแต่พอเราคิดอยู่บ่อยๆคิดบ่อยๆเนี่ยจิตใจก็จะเริ่มยอมรับได้ว่านี่คือความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับเราและเมื่อกียอาจรเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายเนี่ยเราจะกลัวความตายน้อยลงการกลัวความตายน้อยลงเนี่ยมันเป็น เหตุผลอนหนึ่งที่จะทำให้เราตายดีได้เพราะว่าถ้าเกิดกลัวตื่นตระหนกนะในเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะจิตเป็นกุศลนอกจากทำให้ทุรนทุรายก่อนจะตายแล้วเนี่ยเนื่องจากจิตเป็นกุศลในขณะที่ตายเนี่ยก็จะไปอบายได้เพราะว่าสุกเตหรือทุกเตนะมันขึ้นอยู่กับจิตสิ้ท้าย ภาษาบาลีก็ใช้คําว่ามรณาสันนวิถีจิตนะหรือบางทีเราก็ใช้คําว่าอสันนกรรมมาแทนได้เหมือนกันอสันนกรรมแปว่ากรรมจนเจหรือว่าความรู้สึกหมายถึงสภาพของจิตนะก่อนที่จะตายเนี่ยเป็นกุศลกับอกุศลถ้าอกุศลเข้าไปทุขสติถ้ากุศลเข้าไปสุขสติอันนี้ความกลัวมันก็เป็นตัวนี้ที่ทําให้จิตเป็นกุศลได้โดยเพราะเมื่อกำลัตาย แต่ถ้าเวาเราเจริญร้อนนักสติบ่อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายอยอมรับความตายได้มากขึ้นเมื่อถึงวเวลาความตายมาประชิดตัวเราก็ไม่ตืต่นตกใจมากอาจจะตืต่นตกใจชั่วคราแล้วตั้งสติได้แล้ก็ยอมรับเนื่อาะว่าเราได้เจริญร้อนนักสติเป็นประจําก็ทําให้เราสามารถที่จ ะ, จะเผชิญความตายได้โดยที่ไม่ตื่นตระหนกไม่สะทาน อันนี้ก็ทำให้ไม่ทุรนทุรายเวลาตายทำให้ไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าหลงตายหลงตายเนี่ยเป็นสามโบราณทำโบราณแต่ว่าตายแบบไม่มีสติแต่แบบทุรนทุรายใครหลงตายนี่ก็ถือว่าตายไม่ดีนะาการเจริญบอล น, นัสตินี่ยหรือมีเมื่อการซอมตายคนเราจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องซอม น, นะมันต้องซอม มเมื่อโยมต้องไปพูดต่อหน้าคนเป็นหมื่นอยี่ยนะไม่เคยมาก่อนเลยพูดต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้จะทำยังไงก็ลองซ้อมเช่นซ้อมพูดหน้ากระจกเริ่มต้นซ้อมพูดที่หน้ากระจกหลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมพูดต่อหน้าคนรู้จักสักสิบคนยี่สิบคนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปพูดต่อหน้าคนสักพันคน เพื่อทำให้ให้เกิดความคุ้นความชินหรือเกิดความทําให้ความประหม่าดน้อยลงมันต้องซ้อมแบบนี้แล้วถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นเวทีเช่นไปพูดอ่าตอนหน้าคนที่มาชุมนุมที่ลลรัชสถานสนามฟุตบอลรัชมังคลาสถานคนห้ายหมื่เราก็จะประม่าน้อยเลยเพราะว่าเราเคยซ้อมมาครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยขึ้นเวทีอางนั้นเลยฉันได้ก็ฉันนั้นความตายเราไม่เคยเจอ แต่ว่าเราสามารถจัดซ้อมได้ซ้อมกับอในสถานการณ์ที่สมมุติซ้อมสมสมมติว่าเราตายนะเรียกว่าซ้อมตายอันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราซ้อมตายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรากลัวน้อยลงพอถึงเวลาเป็นถึงเวลาตายจริงๆเนี่ยนะ เ, เราก็จะไม่ตื่นตระหนกมาอันนี้คือประโยชน์อาที่เห็นได้ชัดเลยนะ ของการเจริญมรณาสติคือช่วยทําให้เราตายดีตายดีในความหมายที่ว่าเราไม่กลัวเราไม่ตื่นสงบหรือถึงนี้ก็น้อยลงเพราะว่าเราผ่านการซ้อมมาในรวยกันเนี่ยในกระบวนการเจริญมรณาสติเนี่ยถ้าเราเจริญมรณสติถูกต้องเนี่ยมันจะช่วให้เรารู้จักการปล่อยวาง เมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆปล่อยบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาเราร่วตายเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายอุปสารทําไม่ตายดีได้ยากเนี่ยหนึ่งความกลัวนะสองความยึดติดความหวงผางความอาลัยปล่อยวางไม่ได้เ้ื่อเราเรียนร้นักเสด็ดีเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้ถึงการปล่อยวางหรือเรียนรู้ถึงการที่ทจะทําใจยอมรับความพัดพลาด ไม่ใช่การทัสมบัติแต่ว่า พ, พลาดจากคนรักเช่นลูกนะพอแม่สามีภรรยาเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องตายแล้วเราต้องทับพลาดทุกอย่างแล้วนะและด้วเจ้าเราได้สึกมาเป็นล่อยถึงมาเป็นบ่อยเนี่ยถึงเวลาเราก็จะปล่อยวางได้ง่าถ้าปล่อยวางไม่ได้เกิด อ, อะไรขึ้ น, นก็จะมีการทุรนทุรายบางคนตาค้างจนตายตาไม่ยอมปิดเลยเพราะหวงลูก พวลูกเนี่ยก่อนตายเนี่ยแม่ซึ่เป็นมะเรก็ถามแต่ลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบพวงลูกเขาว่า พ, พี่ชายี่ชสองคนเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกพวงว่าลูกคนสุดท้องจะเป็นเหมือนพี่ชายถามอยู่แล้วแหละพอตายตาก็เปิดโรงพยาบาลยาปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้บรรลุช้าในญาตมารับศพเห็นตาเปิด ก็เลยจุดธู่แล้วก็บอกนะกับวินดานผู้ตายว่าหลานหลานคนเนี้ยไม่ต้องหวงนะนะฉันจะรับไปดูแลเองพอพูดเสร็จนี่ปนะิดเกือบตาก็ปิดได้นะอันนี้ก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะ ม, มันเป็นเพราะว่าผู้ตายเป็นคห่วงลูกแต่พอมีญาติเนี่ยมาพูดให้คลายความจรวงตาก็ปิดได้ อันอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าตายตายไม่หลังคือตายไม่ต า, ตายไม่ดีตายไม่ชมึงเพราะความผูกลูดต้องโกงบวมเมียมีคุณลุงจะแกยากจนมากนะตอนจะตายเนี่ยแกก็บอกเมียว่าถ้าฉันตายเนี่ยอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาทำงานศพหรือแม้แต่ซื้อโลงนะไม่มีเงินก็เอาศพยกให้บทครทิศไป แล้วแกก็เฝ้ า, าออพร่ำย้ำเตือนภรรยายเนี่ยว่าอย่าไปยืมเงินมาทำงานสเด็กทันพอตายนี่ตาย ก, ก็เปิดไม่เปิดบังเอิญเนี่ยเจยาบาลที่ดูแลเคสนี้เนี่ยก็รับรู้ถึงความหงุใหงของคุณลุงที่มาตลอดอพยายามวินงเต้นสวัสดิการของโรงพยาบาลจาึงต้องได้เงินาก่อนประมาณสองหม่พอรู้ว่า ผู้ตายตาเปิดแล้วก็บอกภรรยาบอกคุณป้าเนี่ยป้ารีบไปบอกไปบอกลุงเนาะว่าไม่เป็นหนี้แล้วได้เงินมาแล้วสองหมื่นทําศพได้นะป้าแกก็รีบไปเลยนะแล้วก็ไปบอกข่าวบอกลุงที่ตายไปแล้วนะว่าไม่ต้องห่วงแล้วไม่เป็นหนี้แล้วมีเงินทําศพแล้วเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยลูบตา ก็ตาปิดเราจะเจอเรื่องแบบนี้อบ่อยๆบางคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตาไม่ยอมปิดเพราะมีความห่วงกังวลหรือบางคนยังไม่ตายเลยแต่ว่าแต่ว่าประสัทกระสายทุรนทุรายจนกระทั่งผู้รักเช่นอาจจะเป็นภรรยาบอกสามีว่าจะดูแลลูกให้หรือว่าสามีบอกภรรยาว่าจะดูแลลูกให้พอให้ความมั่นใจแบบนี้เนี่ย แล้วก็ไปสงบได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าถ้าใจมีความวุ่นมีความอาลัยนะมันตายสงบได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ายังยังไม่ยอมยังยังยึดติดยังปล่อยวางไม่ได้เมื่อปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องมีการต่อสู้กัดขืน ค, ความฟายแต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญรอนัสติเบ่อยนี่นะถ้าเราจเจริญรอนักสติเป็นเนี่ยเราจะ ปล่อยวางได้ง่ายถึงเราปล่อยวางเราก็ปล่อยวางได้แล้วก็พร้องไปอันนี้คืออั น, นิสงส์นะว่าการเจรอญนัสติีทำให้ตายดีอันนี้พูดแบบยอ่อๆอันนี้เจริญนัสติจริงๆแนละ้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ตายดีมันทำช่วยให้อยู่ดีดูอย่างมีความหมายและมีความสุขด้วยตายดีเนี่ยนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาไหน อาจจะสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ได้แต่ในขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยในขณะที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราเจอรมอนัสติหรือเงินเงิเงนนะมันทําให้เราเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นเตือนให้หมั่นทําความดีเช่นเมื่อเราจะเจอมอนัสติเราถามตัวว่าเราทําความดีมาพอหรือยังเท่าไรเราทำความดีไม่พอเราก็ต้องพยายามทําความดีมากขึ้นหลายคนเนี่ย เรื่องจำไม่เคยเราลิกถึงความตายก็เคยิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ทั้ฟ้าเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตไปเพื่อการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะเพื่อความสาเร็จความยิ่งใหญ่ในทางโลกหรือว่าเพื่อความสนุกสนานเที่ยวเตะสนุกสนานเหมือนกับว่าจะไม่มีวันตายหรือว่า เชื่อแต่ส่วนสันต์เหมือนกับว่าจะไม่มีวันเจ็บนิ่มันปวดแต่พอเรารู้ถึงความตายขึ้นมาเนี่ยหรือเฉพาะเมื่อเราเจริญนอนนักสติเมื่อหรือเมื่อเราได้เห็นความตายของผู้อื่นแต่เปความตายของเพื่อนเรายังนุมอยู่เลยยังสาวอยู่เลยอายุยี่สิบตายไปแล้วเพราะมันมันจะสะเทือนใจมากเลยรู้เลยว่าเฮ้สวรรณมึงเราก็จะเป็นอย่างเขาหลายคนชีวิตก็เปลี่นเลยนะ จากที่เคยใช้ชีวิตแบบซ้ำไปเลยเทนเมาได้สารังเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิต อ, อย่างมีคุณค่ามีความหมายการจรูเลนมอสติเนี่ยมันทําให้เราเกิดความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทนี่ยเป็นคําสอนสุดท้ากลของลูกเจ้าปัจฉิมโอว่าลูกเจ้าเนี่ยมเมื่อพระองจะไปนิพพานเนี่ยพระองค์สอนดีคําสอนแค่สองบรรทัดต่างจาก ก็สมเทศนาก็มเทศนานี้ประมาณสิบหน้านะธรรมจักรโคตังสูตรแต่ประชิมโว่าในสองมรนทัดสังขารทั้งหลายมีความสื่อมไปเป็นธรรมจารททั้งหลายจึงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมถึงคนเราเวลาจะตายเราต้องพูดในสิ่งที่เรากร่ไกรองมาว่าสําคัญและพระพุทธเจ้าก็กร่นกรองมาในแค่สองมันทัดและวรพุทธเจ้าพูดถึงความไม่ประมาทโดยอ้างอะไรอ้างว่าสังขารทั้งหลาย มันไม่เที่ยงวิยะธรรมาสังขาราสังขารอะไรไม่เที่ยคือว่ามันจะต้องแกง่ไม่ต้องเจ็บแล้วมันต้องตายโดยที่พระองค์ก็กําลังจะเป็นอย่างนั้นก็คือกําลังจะปฏิทินการจุลนารสิทธิ์ถ้าเราทําถูกนี่ทําให้เราเกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตก็ถือว่าสักวันเราต้องตายเมื่อใครก็ตามที่ตระหนักตรงนี้ก็ต้อง ได้คิดว่าแล้วไอ้ที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าไหทรัพ ส, สมบัติที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแค่ไหนทราบว่าเราต้องสายออกไปไม่ได้มันทำให้คนเนี่ยได้สติที่จะไม่เอาแต่หาเงินหาทองจนลืมตัวจนลืมการทำความดีหรือว่าสนุสนานจนไม่ได้นึดถึง การใช้ชีวิตมีคุณค่าหลพยคนจะบอกว่าแลายคนจะคิดว่าเออเรื่องความดีก็ดีนะเรื่องทําบุญก็ดีนะเรื่องปฏิบัติธรรมก็ดีนะจะพอทําตอนแก่ได้ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราเจรมานักสตินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้อาจจะไม่ได้แก่ก็ได้นะใช่มเพราะนั้นต้องรีบทำหลายคนบอกว่าลูกกันนะเอาไว้อีกสิีได้ไหมตอนนี้ขอ ทำงานกับวันนี้งานดีมากเลยนะขอกอบตยอยัว น, นะขอทำงานกับนนะตอนนี้เนี่ยงนาน ม, มันเข้ามาเยอะเลยนะกี่สิบปีเนะี่ยค่อยค่อยให้เวลากับลูกนะเคยถามตัวงรู้เปล่าว่าเราจะอยู่ที่นั่นสิบปีข้างหน้ามีพิธีกรรายการโปรดของหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อตอนนั้นแกจบมาจากอเมริกาแล้วก็ จับพัดจับปูมาเข้าสู่โครงการโทรทัศน์โครการบันเทิงหมวเงินเข้ามาเฮ้ยงานเข้ามาเยอะมากก็เลยทําทํางานถือว่าถือว่าเป็นโอกาสไม่ควรจะปล่โอกาสทองหลุดไป้กก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยจะทำอีกสักกี่สิบปีและที่เหลือเนี่ยจะให้เวลาสำรองอยู่แต่กแกทํำได้แค่สิบปีนั่นแกก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเนี่ยรักษาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ที่มีเนี่ยก็ไม่หายโอกายเป็นว่า 10ปีที่ตั้งใจว่า20ปีที่ตั้งใจตั้งใจว่าจะทางานเต็มที่ก็ทําำ ไ, ได้แล้วความคิดที่ว่าจะความฝันความหวังว่าจะได้มีเวลาในช่วงกลางช่วงท้าชีวิตในการอยู่ครอบครัว ก, ก็ไม่สำคัญถึงตอนนั้นเราบอกเลยนะว่าเนี่ยเค ย, เคยพูดก่อนเนี่ยถ้ามีชีวิตได้มีชีวิตยืนยาวเนี่ยขอให้เวลาของครอบครัวแต่ตอนนั้นก็การคุ้มครไว้ใช่ไห ถ้าเราตระหนักว่าความตายสามารถจะเกิดขึ้นกัเราได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่ไม่โมดพัดถอนในเรื่องเหล่านี้เรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีการทําความดีและการให้เวลากับครอบครัวเช่นลูกเนี่ยเราจะไม่พัดถอนี้ได้เพราะเรารู้ว่าเราตายได้ทุกมื้มันมีภาะสิทธิเบสบอกนะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอยจะไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อย ม, มีชาติหน้า เราหลายคนเนี่ยคนจากวันนี้ไปก็ชาติหนมีคนประมาณแสนห้าหมืนคนนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเําและเขาไม่รู้เลยนะวันจะวันสุดท้ายส่วนใหญ่ทั้งโลกน่ะประมาณแสนห้าหมืนคนวันนี้คือวันสุดท้ายของคําคนจากวันนี้ไปคือชาตนหน้าแล้วเราก็ไม่รู้กันยนะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแสนห้าหรือเปล่าสมาก็ไม่ให้ใจเป็นหนึ่งในแสนห้าหรือเปล่านักการบริษัทเตือน ว่าความตายเกิดขึ้นกับอะไรได้สมมว่านันเนี่ยสิ่งดีๆที่ควรทำอย่าขัดความนัน้ น, นประโยชน์ข้อแหล่งเจอมามรรถสิกธินะในเรื่องของการช่วยเกิดชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งมันช่วยทำให้เราพ้นขวายในสิ่งที่เราชอบครอพครออันนี้พูดสำหรับคนที่รู้ว่าอะไรดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าเห็นว่าเอาไว้ทำวันหลังกับพ่อแม่ก็เอาไว้ทาวันหลัง ตอนนี้ขอทำงานก่อนตอนนี้ขอเที่ยวก่อนอันนี้ประมาณนะมีคนนึงนะอายายป่วยชายหนุ่มคนนี้แกอยู่กรุงเทพนะได้เข่าวว่ายายป่วยมาสองสามวันแล้วไ่จริงไม่ใช่ป่วยสองเป็นอาทิตย์นะเสาร์ที่แกก็เลยไปเยี่ยมยายแต่ว่าวันที่ไปถึงเนี่ยนะมันก็ประมาณเย็นแล้วนะ แทนที่แกจะเดินไปหายายตงไปหายายเดินปากปากซอยเนี่ยของบ้านยายเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนไม่ได้เจอกันนานก็เลยไปสังสรรค์นสังสรรค์กันทั้งคืนเลยนะกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาจะไปเยี่ยมยายกันยายผมไม่รีบไปหร อ, อกปรากฏว่าผิดคาดนนะยายเนี่ยตายคืนนะั้นมุกแกเสียใจมากเนละ ยายนี่ก็เล็กกันมาแล้วก็แกก็ไม่เคยด้มีเวลาอยู่กับยายยายป่วยเนี่ยแทนที่จะมาเยี่ยมยายเลยนะก็มามันกันั่นแต่ประมาทอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกประมาทนะก็คือการคิดว่าความตายเนี่ยนะมันมันจะไม่มาเร็วหรอกแต่กรณวนี้ที่เป็นความตายคงที่เรารักไม่ใช่ความตายแต่มันได้ผลในการคือว่าพอพ อ, พอไม่นึกถึงเนี่ยมันก็ประมาทพอประมาทแล้วก็เลยพัดผ่อนพอพัดผ่อนแล้วก็เลยปล่อยโอกาสทอใ น, ในี้ไป ในประโยชน์ของม ร, รณศสติมันทำให้เราเนี่ยผลขวายในสิ่งที่เราชอบผับปองประการที่สองมันช่วยทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดที่จริงสองข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของการช่วยให้ตายดีนะเพราะว่าเวลาเจอละมานัตสติเนี่ยนะแลวเราทำบ่อยบ่อยเนี่ยบางครั้งเราเจอละมานัตสติแล้วเราสึกนึกถึงแม่แล้วเราเสียใจ ที่ถึงพ่อแล้วเราร้องไห้เพราะว่าไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยนี่เราจะตาย้หรือนี่หลายคนจะรู้สึกงี่เง้นะมันเปเจริญรสนาแลจริงจริงนะพอพอทำเสร็จนะวันรุ่ขึ้นนะจะเกิดความตื่นตัวเห็นความจำเป็นในการที่ต้องไปเยี่ยมท่านต้องรีบไปแล้วถ้าเราเกิดรีบเทาเดเาิเราทำนะ จนกระทั่งไม่มีอะไรที่ขาดใจนะถึงเวลาตายก็ตายชงุบไม่ใช่ว่าเวลาจะตายก็มันต้อเสียดายว่าเราไม่มีเวลาไปดูแลแม่หเลยไม่มีเวลาดูแลพ่อตัวดความสุ ข, ขิดอันนี้ก็ทําให้ตายไม่ดีนะเมื่อเกวิดมาผู้การตายไม่ดีเนี่ยเกิดเพาะความกลัวสองความโง่ละอะไรอีกอันคือความสุ ข, ขิดความสุ ข, ขิดเกิดจากการเกิดขึ้นการที่เราละเลยเราผัดผ่อนในสิ่งที่ควรทำ แต่ถ้าเราเจอรมอนนักสติเนี่ยมันทาให้เราผลขวายก็คือรือร้นไม่ผักผ่อนอะไรได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดเราทําแล้วจู่ๆตายทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะให้ต้องเสียใจแต่ถ้าเกิดไม่ตายนมันก็มีความหมายมันก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันทําให้ความสัมพันธ์เราในครอบครัวดีขึ้นทําให้การมีชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้น อันนี้เรื่องการผลิตไปสิ่งที่อบหลับนอนประการที่สองเนี่ยปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยิดติดอย่างที่จะมาบอกนะั่นคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเร า, เ, ราเวลาเจอรมอนัน่งสติเราจะรู้เลยนะว่าเราติดตรงไหนเราติดเรื่องรูกเราติดเรื่องพ่อเราติดเรื่องทรัพย์สมบัติติดเรื่องงานในด้านหนึ่งก็ต้องรีบจัดจา ก, การแต่ในด้านหนึ่งก็ต้องตระหนักว่าถ้าจะต้องไปจริงก็พร้อมจะปล่อยวาง และการปล่อยเนี่ยปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารู้สิ่งที่เรารักเท่านั้นนะเช่เนเงินเช่นพ่อแม่ลูกหลานคนรักคู่ฟรองหรือทรัพย์สมบัติมันมีสิ่งที่เรายึดอยู่ บ, บ่อยๆฉะนั้นที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลยมันให้ความทุกข์กับเราด้วยซ้ําคนเราไมไ่ยึดเฉพาะสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเท่านั้นะ ตอนนั้นนะสิ่งที่ให้ความทุกข์แก่เราเราก็ยึด น, นะเช่นอะไรบ้างความโกรธความเศร้าความเสียใจยเวลาโกรธเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่อยากปล่อยวางนะอยากจะอยากจะเก็บมันเอาไว้เวลาเศร้าเนี่ยนะเราอยากจมอยู่ในความเศร้าเวลาเศร้าเราอยากฟังเพลงนะเพลงสนุกนะ ห, หรือเพลงนะเพลงเศร้าใช่ไหม ก็คือเนะ่ยคือเราหวงแผนความเศร้าไว้เนี่ยเราไม่อยากปล่อยความเศร้าไปเวลาเราโกรธนี่นะเราก็จะคิดถึงคนที่เราโกรธใครมาบอกว่าให้อภัยเ้าเราก็จะไม่ยอมความรู้สึกผิดก็คือสิ่งที่เราชอบยึดติดเหมือนกันเสียใจที่ว่าพ่อแม่ผ่านไปสิบปีแล้วก็ยังไม่คลายเสียใจที่ดูด่าลูกนะตว่าดใส่ลูก ก็ไม่ยอมปล่อยไม่อมวางหรือบางทีเอผิดหวังล้มเหลวไอ้พวกนี้เนี่ยมันทําให้ทุกข์นะนี้ถ้าเกิดเจริญร้อนนักสติเนี่ยมันจะตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญการปล่อยวางเราจะตระหนักว่าถ้าเรามีอารมณ์แบบนี้อยู่เราจะตายไม่สงบนะเพราะนั่ น, นต้องสุดปล่อยความกลัก็ทําให้ตายไม่สงบ ความความเครยก็ทำให้ตายใสนกความรสึกดก็ทำให้ตายไมสมุมสกแถ ไ, ไปอภยเรื่อนนนาเมริกาเทวีนะในพระไตรปิฎกเล่านาอเมริกาเทวีเนี่ยเป็นมีสีพ ร, ร, ระเจ้าประสที่โกศเป็นคนที่่วนสีพระเจ้าประสิทธิโกศน์นี่หันมาสนใจเรื่องการทาบุญทุศนมาศทานในพระศาสนาไตรและจู่ๆนาวเมริกาทวีก็ตายต่ตายเร็ ตอนที่จะตายในอเมริกาทีวีนี่แกนึถึงอะไรเจนนึนกถึงาการที่แกได้ไปโกหกพระเจ้าเป็นส้นที่โกศ่ในเรื่องเรื่องที่น่าอับอายโกหกสําเร็จนะแต่ว่ามาเสียใจยตอนจะตายรู้สึกผิดมากจิตใจเศร้าหมองเพราะว่าได้ทําสาวว่าตายปุ้นนี่ไปไหนนะไปอาบายเนะ น, นี่เป็นนรกนียเจ็ดวันในความดีที่ทจะทำเอาไว้เนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไ ม, ม, ม่ผลน่ามีผลแต่ว่าอาสนนักรรมหรือหรือทเทเลจิตสุดท้ายเนี่ยกรรมทำกรรมใดล้วก็ตามบวกหรือลบเนี่ยมันจะส่งผลก่อนเป็นประการแรกถ้ากรรมเป็นอคุศนหรือว่าเกิดเพาะจิตที่เนอคุสนก็ทําให้ไปบางถ้าจิตเนอคุศนก็ไปสุปฏินาวเมริกาทีวีแกมีความรู้สึกติดแล้วปล่อยวางไม่ได้ ปลายานะครับจากความดีที่ได้ทำไว้เนี่ยก็หนุนส่งให้หลังจากนั้นเจดวันก็ได้ ไ, ได้ขึ้นสูน่มอ่าไว้แล้วเนี่ยเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวหลายคนมีความกลัวและยคนมีความเศร้าเนี่ยถ้าเจริญนอนสเตะนะมันช่วยนะ ซีจอมนี่ก็เคยบอกซีจอมก็เป็นโรค ก, ก็เป็นมะเร็งตับอ่อนก็เคยบอกว่าเ้าเคยไปแสดงกระดาษคาถาที่ไมหาลัยเซนต์อนตอนนั้ก็บอกว่าเขามูดถึงตัวเขาว่าเขากํกาลังจะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้วเขาพูดงประสบการณ์ว่าเวลาที่ถึงความตายเนี่ยมันมีประโยชน่ยังไงเขาบอกว่าไอ้ความหวังความภาพภูมิใจความกลัวหน้าแตกกลัวผิดหวังเนี่ยไอ้พวกนี้มันมาลายหายไปในทีเลยเวลาที่ถึงความตาย คือปล่อยวางได้ง่ายมากเลยในเวลาที่ถึงความตายในเวลาที่รเราไม่ถึงความตายเราจะเศร้าเราจะเสียใจที่ล้มเหลวที่งานไม่สําเร็จแล้วสึกโหดการที่เราล้มเหลวที่มันหน้าแต่เสียเสียหายมากเพราะว่ามันหายก็ไปเลยนะเวลาถึงความตายเพราะสิ่งเหล่านี้การที่องจิตจอยทันทีเมื่อถึงความตายถูกเพื่อนดา่าโมโหฉุนเฉียวทลาะ ก, กับแฟนเมาโกรธมากเลย บางทีทะเลาะไม่เป็นเรื่องนะเรื่องแค่กระเบื้องแผ่นเดียวทะเลาะกันพอพูดถึงความตายนะไอ้เรื่องที่ทะเราะกันเห็นเลยนะมันเป็นเรื่องจิตใจมันวางจริงๆตัวสับหายหูวเสียใจมากนะแต่พอพูดถึงความตายนะซึ่งเราต้องสูญเสียทุกอย่างเนยะไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านรถแบบมันคมรั้ไอ้การเสียตัวสับไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เราปล่อยวางได้ น่ประโยชน์ของร้อนนัสติเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับการที่ช่วยทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้จักเพราะเราสามารถจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าสิ่งที่เรารักหวงแหนหรือว่าสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเช่นอารมณ์ที่เป็นกุศลในที่ร้อนนัสติเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะก็ะคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้น คนเราเนี่ยคนเสียทุกวันนี้ไม่คยมีความสุขเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งที่ที่ตัวเองมีไปอยากได้สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีความทุกข์คนสมัยนี้เป็นอย่างยินนะไอ้สิ่งที่มีเนี่ยไม่ค่อยได้ชื่นชมมันเท่าไหร่หรอกเป็นโมแต่จดจ่อสิ่งที่ยังไม่มีมีเงินร้อยล้านก็ยังทุกข์เพราะว่าคนก็ได้สามสี่ร้อยล้าน คนหนึ่งก็มีรถคันใหญ่เรายังไม่มีมก็ทุกข์ทั้งที่เราก็มีเยอะแล้วเด็กเนี่ยนะก็มีอะไรต่ออะไรมากมายนะทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนมกล้องแต่เด็กก็ยังทุกข์เพราะว่าเพื่อนมีไอโฟนเรายังไม่มีไอโฟแต่ถ้าเมื่อแต่ละตอนที่คนเราเนี่ยาันี้มาเห็นขึ้นข้าวสิ่งที่เรามีนะ การมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขแนี้งง บ, บนมโนสติมันช่วยตรงนี้เมื่อเราตระหนักว่าสิ่งที่เรามีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้เวลาเรานึกถึงว่าเราต้องไม่มีสิ่งเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยในวันหน้า เ, เราจะมีคุณค่าขสิ่งที่เรามียกตัวอย่างเช่นมองง่ายๆนะตาเรามีหลายคนไม่เคยตระหนักต่อการที่เรามีตามองเห็นนะ มีจมูกหายใจได้มีหูที่ยังได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นโชคอย่างไรบ้างการที่เราเดินเหินมาฟังที่นี่ได้เนี่ยมันเป็นโชคอย่างไรบ้างแต่สักวันลองคุณตาบอดสร็จลองคุณหูหนวกเสร็จนะลองคุณเป็นป้าหรือว่าคุณพิการคุณเป็นอัมพฤกษ์เงาผ้าเดินไม่ได้คุณจะรู้สึกเลยนะว่าการที่คุณมีตานองเห็นมี หูที่ได้ยินนะมีตามีมีมือมีม้าที่เป็นปกติมันเป็นโชคแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราไม่เคยตระหนักว่าลมหายใจนี่มีค่าแค่ไหนเราสูคดีที่มีลมหายใจและลองคิดดูสักวันหนึ่งเราไม่มีลมหายใจหรือว่าหายใจไม่ค่อยได้เปิดแอฮงเกอร์อย่างคนป่วยที่เราเห็ตามโารงพยาบาลปอดทองผิวผิว่าการ ต้องอยู่ได้ด้วยเครื่องค น, คนที่ไม่เคยได้เห็นคนที่หายใจด้วยเครื่องนี้นะไม่รู้จะทรามารแค่ไหนเมื่อไรเมื่อตาที่เราหน่าว่าเราสิ่งที่เรามีในวันนี้เนี่ยเราจะสูญเสียไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้เราจะรู้สึกแล้วโอ้ไอ้ไอที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยพอแนละ้วมีความสุขแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากนะแค่สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่เสียไปก็มีความสุขนั้น ความสุขมันจะง่ายขึ้นมีแม่บ้านคนนี้ก็บอกว่าทุกเย็นเนี่ยเมื่อสามีและลูกเนี่ยกลับถึงบ้านและกินข้าวพร้อมหนาหรือว่าเธอมีความสุขแล้วแค่นี้และเธอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มีโอกาสแบบนี้พ่ออะไรก็เธอไม่รู้ว่าพุ่งนี้เนี่ยลูกสามีจะได้นี่ยวกาส ที่ข้าพร้อมกับเธอหรือเปลอะไรก็ไม่แน่ความสุขของเธอจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีอรถหลายคันเพียงแค่รูปสามีเดินมาอยู่ข้อมหน้าเธอก็มีความสุขแน่นอนเชื่อว่าเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าเนี่ยเรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมี อ, อสุขภาพดี ตอนจะไม่รู้ได้ซ้ำนะว่าคนที่เป็นมะเร็งคนที่เขาเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาทรมานยังไงแต่ลองเราไปเห็นเขาเนี่ยแล้วเราลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาสักวั น, นมันจะทรมานแค่ไหนและตอนนั้นกลับมาดูกลับมามองกลับมาที่ตัวเร า, วาตอนนี้เรายังไม่ปวไดไม่ใข้เราจะรู้สึกขอบคุณความสูขมันง่ายขึ้นเมื่อเราเจะเริ่องรามสักทีในแง่นี้ ลสุดท้ายคือว่าเจิตวิญญาณสติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่เราอยู่ต่อนหน้าเวลาเราอยู่กับใครแล้วลองจินตนาการว่าแม่เรากับเขาวันทุ่ง น, นี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันเม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนร่วม ง, งานถ้เราลองคิดแบบนี้นั่นเราจะอ่อนโยนต่อเขามากขึ้นเราจะใส่ใจเขามากขึ้นเราจะไม่ทําตามอารมณ์ แม้พ่อแม่จะว่าเราพ่อแม่จะพูดแรงๆกับเราแต่คิดต้องหมายว่าผู้ที่ท่าจจะไม่อยู่กับเราเราจะไม่โกรธจะไม่ตะาดหรือว่าดา่าที่กลับเราจะอดกัฐฐนศิลปะในการมีชีวิตที่สมคัญร่ว ม, ร, วมรื่งกับผู้คนเนี่ยก็คือการคิดว่าสักวันว่าวันนีน้คืออาจจะเป็นวันที่เราตอเข้าใจะได้อยู่กับมิตรสุดท้าย ถ้าเราลคิดแบบนี้นะเราจะเราจะเพราเบาแรงกันน้อยลงเราจะทําตามมารวมน้อยลงเราจะใส่ใจมากขึ้นเราจะอ่อนโยนมากขึ้นแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เราดีและไม่ชินมีความสุขความผิดพลาดหลายครั้งของคนหนึ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ถนัดถึงความจริงว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้โดนความตายมีพยาบาลคนหึงเล่า ว, ว่า เธอสนิทกับน้องชายวัยรุ่นวันนึ่งเธอก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลตามปกติน้องชายก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาล น, น้องชายก็สนิทกับเธอมากก็เลยมาโนยนี่กับเธอเือก็ยุบลำคานก็กําลังทํางานจู่ๆน้องชายเขาพูดมาว่าที่ที่รับผมไหมเธอลำคานนะเธอบอกกลับบ้านไปก่อน เพราะว่าน้องชายกลับบ้านแต่ไม่ถึงบ้านโดยปกติเหตุตายกเจอรู้ที่เธอเสียใจมากคือรู่น้องตายก็เสียใจแต่ที่เสียใจอันหนึ่งที่หนักคืว่าเธอรู้สึกผิดที่ว่าเธอน่าจะพูดดีๆกับน้องชายถ้าเธอตอบว่าใช่พี่ก็รับน้องเธอรู้สึกรู้สึกผิดน้อยลงอย่างน้อยเนี่ยน้องชายตายด้วยความรู้สึกดีๆ ที่เธอได้ให้กับน้องชายแต่เธอไล่น้องชายไปเพราะอะไรเพราะเธอคิดว่าเดี๋ยวไปเคือนที่บ้านก็ได้มีไกรนึงนะพอมาเข้าคอร์สนะคอร์สนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการปรับความสัมพันธ์วิ่เจยตานก็ให้ให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยนะได้นึกถึงคนที่ใกล้ตัวแต่มีความสัมพันธ์ที่เราต้องละแหงแล้วก็พยายามมองว่าเขามีข้อดีอะไรบ้าง เสรจแล้ให้เขียนจนหมายถึงเขาขอบคุณเขาหลายคนจะเลือกคนใกล้ตัวเช่นแม่ <c oughs> พ่อที่สาวน้องสาวน้องชายพี่ชายคนรักมีคนใกล้เขียนถึงพ่อที่เธอก็ขอบคุณพ่อพูดถึงว่าพ่อนี่รักลูกยังไงบ้างแต่เล็กเนี่ยพ่ออุ้มดูกมาตั้งแต่เล็กคุณทราบซึ้ง แต่ว่าตอนหลังพอโตคุอก็ละหองระแหงกันอันนี้วิทยากรบอกว่าให้ทุกคนโทรศัพท์ไปบอกคนที่ตัวเองเขียนเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะหลายคนก็เขินนะเพราะว่าไม่กล้าไม่เคยพูดดีๆกันมากั้นานจากแล้วคนทำา้อใช้ความกล้านะแต่เธอไม่ทำเธอไม่กล้า จะบอกว่าเดี๋ยวอสองวันก็กลับบ้านแล้วค่อเพูดตอ น, นั้นกันแล้วนวันรุ่งขึ้นนะบอกว่าได้ข่าวว่ขขาพ่อแขนคอตายพ่อแกมีปัญหาเรื่อง d e p เป็นพวกซึมเศร้าพวกเธอเสียใจมากเลยเพราะถ้าเธอโทรไปคืนนั้นนะพ่อคงอาจจะไม่ตายพ่อคงม้สุดดีหรือถึงพ่อ ถึงแม่พ่อทำเนี่ยเธอก็ยังสุกดีว่าเด็กเมื่อก็ได้พูดความในใจให้พ่อก่อนที่พ่อจะล่โลโนี้ไปใ น, นความแล้วเธอก็รู้เสียใจผิดรู้สึกผิดความผิดความสุขของมนุษย์เนี่ยนะหลายครั้งเหตุการที่เราประมาทเราปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปแล้วโอกาสทองคืออะไรโอกาสทองคือปัจจุบันทำดีกับคนที่เรารักเสียแต่เดือนนี้หรือว่าทำดีกับคนที่อยู่ต่อนหน้าเรา เสแต่เดีนี้เพราะอาจไม่มีโอกาสและถึงตอนนั้นเนี่ยพอไม่มีโอกาสแล้วก็มาเสียใจแต่ถ้าเกิด ว, ว่าเราทํานะเราใส่เราต้เร า, เ ร, าเรารู้ถึงความตายว่าสามรารถเกิดขึ้นกับเราก็ได้เกิดเพื่อคนที่เรารักก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติเข้ามันก็ ว, ว่าเราเขาเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นมาสุดท้ายไม่ทําให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอ่อนโยนและทําให้ชื่อเราเนี่ย มีความสุขได้ง่ายขึ้นฉนั้นเนี่ยตอนผู้วันทั้งวันเนี่ยตอนนักเตินเนี่ยมันไม่ได้เสพที่น่ช่วยไม่ตายดีมันมันช่วยทําให้อยู่ดีด้วยอยู่ดีเพราะว่าตายดีเพราะวันหนึ่งนะเราได้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดสองเราได้ผลคอยในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนไม่มีอะไรั้งผาใจนะแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่มีความกังวลความกลัวก็ไม่มีเพราะทำความคุ้นเคยความตายอเสมอทุกวันทุกวันก็น สดีส่วนอยู่ดีก็เพราะว่าเมื่อเรารู้จกักผลไฟในสิ่งที่เราชอบขัดสมเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีการให้เวลาครอบครัว ก, ก็ดีการดูแลพ่อแม่ก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขนะมีชีวิตที่ราบรื่นโปร่งตื่นกับผู้คนซึ่เป็นคนที่เรารักหลังจากนั้นถ้าเราจับปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันก็ทําให้เรานะไม่ต้องทุกกับความสูญเสียซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิต สูญเสียในที่สูญเสียทรัพย์สินนะหรือว่าเมื่อ้องทุกข์กับความเรื่ของระแวงความโกรธพราเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะเราได้เห็นผู้กล้าสังขและการที่เราเห็นู้กล้าของสิ่งตา่างเพรเรารู้ว่าสักวันมันต้องจากไปมันทําให้เราเนี่ยใส่ใจผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราได้ง่ายขึ้นที่ถามว่าจ ะ, จะเจริญมรณาสติอย่างไรไปแต่สุดท้าย วิธีการง่ายๆที่ที่ที่มันนิยมทําก็คือว่าจเจริ่มเรากสติตอนนอนเช่นสมมุติว่าคืนนี้เป็นคืนที่ตัวเองจะต้องตายเป็นคืนสุดท้ายของตัวเองนอนหลับก็คืนแล้วก็พิจารณาว่ายจะต้องจากลูกไปต้องจากพ่อแม่ไปจะต้องจากงานการชอบสมบัติไปจะไม่มีเหลือเหลือเลยแล้วก็ทำตัวกลม การลึกแบบนี้เนี่ยนะไม่หมายจะทายากเพราะว่าใจมันจะฝืนใจมจะตั้งแต่ถ้าเราเราลึกเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ยอันไหนที่เราติดขัดเราก็ต้องขันกับยาเพื่ไปแก้ขัดอันนี้เรียกว่าซ้อมตายซ้อมตายก่อนนอนทางสุก็ซ้อนตายอย่างเงี้ยเี่ว่ามองว่าตัวเองนึกถึงงานนึกถึงงานศพของตัวเอง นึกถึงตัวเองว่าอยู่ในอยู่ในโลงอยู่ในหีบศพนะแล้วก็มีในงานศก็มีคนมาเนากล่าวตุนตัวเองอยากให้เขากล่าวตัวเองแบบไหนหรือว่าเห็นตัวเองเนี่ยค่อยเน่าเปื่อยไปอันนี้ก็ต้องติดแข็งเลยนะเพราะเห็นตัวนี้ค่อ ย, อ ย, อยจากร่างกายที่เคยอ่อนนุ่มนะมันก็เริ่มแข็ง นะที่เคยอุ่นก็กลับเป็นเย็นนะที่เคยกระดิกกระเดียดได้ก็กระดกระเดียไม่ได้แล้วที่เคยสวยก็เริ่มนะค่อยคนะยค่อยๆเสื่อมจนกระทั่งกล า, ายเป็นบวม อ, อืดแล้วก็เน่าหลายคนอาจารย์ทั้นี้มันแรงไปแต่ว่ า, าน้อยเนี่ยเอาก็เแบบว่าถ้าเกิดเราต้องตายเนี่ยอย่างที่อาพูดตอนแรกว่าถ้าเราต้องตายเนี่ยเราต้องรักจากที่สูงที่อย่างไป อันนี้เราซ้อมตายมีวิธีเกินจลน์บอลนัสติกหลายอย่างเช่นที่สมาใช้ประจำก็คือเวลาเดินทางเวลานั่งรถที่เค่งบินเนี่ยก็พยายามก็จะนึกถึงเสมอว่าเนี่ย จ, จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายรถอาจจะชนเครื่องบินอาจจะตกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะลองถามตัวว่าซ้อมเอาไว้ว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะวางใจอย่างไร อันนี้หลายคนก็ทําได้จะวางใจอย่างไรเช่นจะอยู่กับลมหายใจจะสวดมนต์จะนึกถึงพระรัตนตรยัยจะนึกถึงเอหลวงพ่โสธรหรือว่าจะนึกถึงครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงพ่อ ท, ท็อกหรือว่าหลวงปู่ทวดอะไรก็ว่าไปนะซ้อมเอาไว้สอมเอาไว้เวลามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจิตมันก็จะได้เอ่ระลึกถึงได้หวัง อาจจะเช็คด้ว่าเออเรามีอะไรค้างคากับพ่อแม่กับลูกไหมเช่นนึกถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าพ่อแม่ถ้าเลึกถึงแล้วคือเฉยเฉยก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรที่ติดเราคือเราปล่อยวางได้ต่อทําหน้าที่ครบถ้วสมบูรณเวลาไปไปโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ลองนึกว่า อ, อคนที่ต้อนอนอยู่บนเตีย้เนี่ยสักวันอาจจะเป็นเรามีสายรโยงระ ย, ยางเยอะแยะนอนติดเตียง ไม่สามารถหายใจตัวเองได้ต้องอาศัยเครื่องต้องหายใจตามเครื่องมีท่อสอดเข้าไปในปากมีมือที่ถูกมัดถามใจถังว่าเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะอยู่ในสภาพนี้อย่าลืมนะครับ 90% ข, ของคนสมัยใหม่เนี่ยจะตายแบบช้าๆไม่ได้ตายแบบทันทีไม่ตายแบบทันทีเช่นหัวใจหยุดเต้น โรคอุบติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติ 90% จะตายเร็วช้าตายแบบโรคตายด้วยโรคเรื้อรังนะซึ่งมักจะหนี้ไม่พ้นสี่โรคนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานไตวายเดี๋ยวนี้ก็มีอันข้อที่ห้าคือโรคดอกเลือสมองจะือดสมองแตกเป็นผักอันนี้ไม่พูดถึงอัลไซเมอร์นะฮะอัลไซเมอร์นี่ก็โชว์นี่คือไม่รับรู้อะไรแล้ว แต่ตอนที่รับรู้เนี่ยคือไอ้โลคอย่างสี่ห้าโลคนี่นะเราพร้อมเป็นอย่างที่จะเผชิญกับมันใจเราพร้อมไหมหลายคนเนี่ยนะแค่แค่แก่แล้วอยู่บ้านเนี่ยคนเดียวก็ทำไม่ไหวอันนั้นมาเจอมีเยอะคนแก่ที่เคยทํางานกระฉับกระเฉงเคยเที่ยวนะพออยู่บ้านกนะ็ชราอายิแปดสิบทำอะไรไม่ไรก็สับปะสายมากเลยพ่อไม่เคยได้ทำพ่อไม่ได้ทาํางานที่ตัวเองชอบหรือไม่ได้เที่ยวอย่างที่ตัวเองมีที่ ันนี้่าจจะห่วงนะเพราะว่าแสงมม่เคยเตรียมเลยและขนาดร่างกายไม่เจ็บมไม่ป่วยนะเพียงแค่ว่าไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้เทีย่ยวนี่ยังกระสับกระสายขนาดนี้แล้วก็นอนติดเตียงนี่แล้วก็มีทุกภเวธนานี่เอาจะไหวเลย น, นี่เราพิจารณานี้ก็ทำให้เราต้องเห็นความสำคัญการเตรียมมือเตรียมตัวเตรียมใจไม่ใช่แค่เตรียมเฉพาะที่ในกรรมหรือประกันไนัเวลา การกระมังกษิ่างกิจการเวลาเราดูข่าวนะทังไทยรัฐก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเนื่เพรา ะ, ะข่าวเวลามีอบติเหตุแผ่นดินไววภัยธรรมชาติอย่าสนใจเพียงแค่ว่าเกิดกับใครเกิดที่ไหนให้เราเราพิจารณาว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราสักวันนึ่งเราทำใจได้ไหมหรือเราจะทำใจอย่างอยจะไปคิดว่ามันเป็น คนตัวใหญ่มองคนใืญ่เวลาอา่านเวลาดูข่าวนี้ก็สนใจว่าเกิดขึ้นกับใครที่ไหนแต่ไม่ได้ถามใจว่าเออทำไมเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะทําใจได้ไหมแล้วทําใจถ้าทำใจทําใจไม่ได้แล้วจะฝึกอย่างไรถามตัวเองอันนี้มันจะกาศเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราไม่ประมาทข่าวที่เราฟังจะกลายเป็นธรรมะทันที เพราะมันเตือนให้เราไม่ประมาทเวลาเกิดเหตุเช่นเงินหายโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงเงินเนี่ยหลายคนก็ทุกข์นะแต่ลองมองอย่างนี้เสร็วว่าเนี่เข้ามาเป็นสัญญาณเตือนนะว่าวันนี้หายทุนนี้ต่อไปจะหายหนักกว่านี้แต่จริงๆแล้วสวรรค์นี้ต้องเกิดขึ้นนะเพราะถึงเวลาเราตายใช่ไหมฮะมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านมีพันล้านก็หมดพันล้านมันไม่ใช่แค่ แล้ไอ้แค่ตทรศัพท์หายเงินสูง ก, กงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะมันจิ๊จ้อยนี่ข้อนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน่าจะเจอหนักคนนี้ถ้าตอนนี้ยังทําใจไม่ได้แล้ววันหน่าจะทําใจามันทำใจแบบนี้อีก่บ้างเวลาคิดแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยจะเรียนรู้เออทำงานจะปล่อยว่าไอ้เหตุการณ์นี้ให้ได้เพราะาเราปล่อยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนี่ย วันหน้าเราเจอหนักวันนี้เราก็ก็เสร็จสิ่งมันกลายนของดีไปนะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยหนึ่งกัเป็นการเตืนให้เราเรารู้ถึงความไม่เที่ยงความสูญเสียเที่ยที่เป็นธรมรมดาของชีวิตและกันหนักขึ้นเรื่อยๆสองมันเป็นแบบสุดหั้ให้เราได้ึกปล่อยวางมีประโยชน์นะฮะสอนสัจธรรมให้กับเราเงินหายถูกโกงและสองเป็นการบ้าสึดใจ ทั้งสอนใจทั้งจุดใจเราแล้วก็เตือนให้เรา<ม>เรารู้ถึงร้อนนัสติด้วยนั้นเจนได้ว่าการเจริญร้อนสติให้มันทำได้ได้ตลอดเวลาะะแล้วได้สามารถใช้ใน ก, การต่างๆมาเป็นอุปกรณ์สอนหรือเตือนใจให้เรารู้ถึงร้อนนัสติได้และถ้าเกิดว่าเราเจริญร้อนสติบ่อยๆแล้วก็พยายามพยายามใช้ประโยชน์จากการเจริญร้อนนัสติเช่น มันทำดีมั่นทำบุญทำบุญสนปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะเรียนรู้จากการปล่อยวางเมื่อถึงวันที่เราตายเนี่ยการตายจะไปร่้ง่ายมากขึน้นต่อมาประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งนะอไม่ใช่ใพี่เลี้ยงผู้หญิงคนนี้นะแต่เธอเป็นคนเล่าทุกช้าตื่ึงมาตีห้าเนี่ยเธอก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในอ้องครัวเธอตื่มาตีห้าเนี่ยเพื่อจะไปทาดานานักคุณคนเช้าันย่อมตื่นมาเป็นเช้า ตื่นมาในเช้าเพื่ไปทา ง, งานแม่กับยายเนี่ยทำครัวเพื่อจะจะมาใส่บาตราัรทุกวันไม่มีขาดไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ก็ใส่แต่เธอไม่เคยได้ใส่เพราะเธอต้องไปทา ง, งานวันหนึ่งตื่นมาจะไปทา ง, งานเห็นแต่แม่ยายไม่เห็นก็เลยถามแม่ว่ายายไปไหนยายอยู่ในห้องเธอก็ไปเรียกยาย หน้าห้องยายวันนี้ไม่มา่ไ ม, มาไมใส่บานเลยก็มีสิงหยาดตอบมาว่าไม่ใส่นะวันนี้ยายจะนั่งส ว, สวมดุดแล้วก็นั่งสมาธิเธอก็ไม่เอะใจอะไรเธอจะถามต่อว่ายายจะเอาอะไรไหมได้บอกแมว อ, อะไรเลยเขาก็ไปสายแล้วเนี่ยยายก็ยไม่ออกมาแม่ซึ่งเป็นลูกของยายเนี่ยก็เลยเปิดหน้าประตูไม่มีเสียงเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยายเนี่ย หรือแม่ของตัว น, นั่งรุ่ขงขาวของขาวพิงเสาในท่านั่ ง, งสมาธิข้างหน้าก็มีร่องรอยของการจุตทุกเทียนนะเรียกก็ไม่ตอบก็เลยก็เลยแตะตัวยายแล้วก็ยายนีก็ล้มล่างนี้นอนไปกองอกับพื้นเลยหมดลมไปนะอาจจะหมดลมไปทั้งชั่วโมวงคําถามคือว่ายายรู้ไหมว่าวันทนี่เกิดอุบัติเหตุของยาย ยากจะรูนะไม่งั้นเนี่ยยายต้องใส่บาตรแล้ะยายรู้ว่าเปวันสุดท้ายทำไมยายไม่บอกไม่บอกลูกไม่บอกหลานพราะปกติคนเราจะตายเนี่ยต้องบอกลูกบอกหลานสั่งเสียเช่ไหมตัวผมพวอไม่ีอะไระสั่งเสียแล้วอะไรที่ควรทําอะไรที่ควรบอกบอกหมดแล้วนะถึงเวลาตายก็ขอตายคนเดียวติดพ่ อ, อจะตายคนเดียวต่อหน้าพ่อคุณลูกเพราะเนาจตาย เห็นเป็นการตายที่เป็นการตายที่ที่สมบมากแล้วก็สวยงามมากคนที่นั่งตายแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินว่ามันมีแต่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็ยังมีนั่งตายไม่ใช่พานเป็นยุญจะทำนี้ได้เนี่ยสนะมาชเชื่อว่าเนี่ยต้องเกิดจากการที่ได้ทำบุญมาสม่วงเสมอและทำความดีรวมทั้งทำหน้าที่ต่อต่อลูกต่อหลานแล้วก็สำคัญคือปล่อยวางด้วย คนที่ปล่อยวางแบบนี้ได้คือถึงเวันตายก็ไม่ตืน่นตระนกนะขอไปไปนั่งตายในห้องอันนี้เรียกว่าไม่กลัวความตายพร้อมรับความตายไม่เห็นความตายเป็นศัตรูจะทํานี้ได้ต้องมีการเตรียมนะอาจะปฏิบัติธรรมมาด้วยซ้ำต้องปฏิบัติธรรมาแน่นอนรวมทั้งการสุดปล่อยวางด้วยลูกสาวหลานสาวเนี่ยมารู้ว่ายายตายนี่ก็ต้องรับใช้สาย เมื่อมาทบทวนเหตุการณ์ก็เลยเข้าใจเลยนะที่ที่อยากบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่ารูมหลานไม่ต้องซื้ออะไรมานะหมายถึงว่ายายพร้อมจะปล่อยวางไม่เอาอะไรแล้วพราเป็นการตายที่ที่ที่สงบแล้วก็สวยงามมากเห็นเลยนะความตายไม่น่ากลัวมันอยู่ที่ว่าเตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วแต่อมาเชื่อว่าคุณยายนะคุณจเจริญรอนนั่งสตเป็นประจำ อีกคนหนึ่งนะที่าะมาะประทับใจนะอะชื่อคุณยิงนะงณย่งใหญ่ในวงธรรมศาสตรคุณยิ่งใหญ่เนี่ยนะเพิ่มเป็นที่รู้จักนะว่าเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องธรมมธรมะธรร ม, มานุสธรรมะปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสาสิบปีที่แล้วคนจะคิด ว, ว่าอาจารย์มั่นเนี่ยเขียนนะทีมกันใหญ่เลยนะฝันหลังพุ่งกรเบิดสวยว่าคุณยิ่งใหญ่เนี่ยเขียนไม่ใช่อาจารมั่นนะยิ่งใหญ่นี่เป็น เป็นลูกเสนาบดีนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ฝ่ายธรรมมากเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุโธโาศาสนาวัฒนทเศลินนะสมเด็จองค์นี้น่าสนใจมากมีลูกศิษย์ที่ที่เก่งเยอะมากเป็นคาราวาชท่านเป็นพระมุอแม่นิวัฒน์เสลินท่านเก่งเรื่องปริยัตและปฏิบัติเรื่องตอนหลังเนี่ยตอนอายุสักห้าสิบห้าสิบสามในสี่ั้งสามีเสียชีวิตก็เลยบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชี แล้วก็อยู่สักห้าสิบแาดก็ป่วยมาป่วยน้านิใจก็สมบนะวันหนึ่งหมอก็มาตรวจตอนที่อาการแย่หมอก็พูดว่ า, วาเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนด้ชีบอกคุณหมอไม่ต้องมากอบฉันคือรู้รู้ดีรู้ตัวเองว่าว่าการหนักนะแล้วก็วันนั้นหรือสองวันต่อมานะก็รัวแย่ ก็บอกเด็กให้เป็นนิมนต์พระมานิมนต์พระที่รู้จักนิมนต์มาทําไมนิมนต์มาให้สวดแต่ส่วนบนไหนที่ท่านสั่งเลยนะส่วนบนไหนนะบอกให้พระบอกให้พระสวด น, นะนะพระสวดเสร็จนะก็สนทนาธรรมสนธนาธรรมสักครู่เนี่ยคุณยียก็บอกว่าก็ตกราบแล้วก็จบจบการสนน า, นาแล้วก็กลางรอหที่กราบเนี่ยบอกว่าก็บอกว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่ ปราบสามทีนะแล้วก็นิ่งเลยตายแนละ้เป็นการตายที่สงบนะตายในท่ากราบนะแล้วก็คราบนี้ไม่รู้เลยนะเห็นกราบแล้วเห็นนิ่งเลยยังสงสัยทาไมนิ่งพอรู้ว่าตายหมดลมยังพูดเลยว่าอันนี้ตายจริงๆหรือเนี่ย <c oughs> มีที่ไหนตายในท่ากราบใช่ไหม นี่คารว า, วานะือเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องปฏิบัติธรรมหลงการเจรมังสวิรุติรู้คือรู้ตัวจนกระทั่ง น, นาทีสุดวินาทีสุดท้ายเนะี่ยกราบเสร็จไปเลยนะก่อนกราบมับอกในชะ่ไหมขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่ไม่นเหตุความตายมันไม่น่ากลัวนะแล้วโดยถ้าเราเจริมังสวิเป็นประจำเนี่ยเราจะความสามารถในการที่เราจะเผชิญความตายนั้นก็จะก็จะมากขึ้น และการตายองเราจะเป็นการตายที่สวยงานกันนะแล้วก็พอสุมเรื่อเวลาในสุขภาพจิตใจร่ายกา